สันเสริมกันที่ใดเราก็เจอข้อความเหมือนกันว่าภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระสิทธ์ของพระองค์ไพโรนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกประยาอย่างนี้เปรียบเหมือนมงคลหงายของที่ควม่มเปิดของที่ปิดเบาทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีดในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักูุจะเห็นรูปดังนี้ จากนั้นก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะและกราบถูนารนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระริยสงผันรูปที่ตามเสด็จไปสเสวยและฉันในนิเวศของท่านก่อนในช่วงนั้นท่านบอกว่าทัศกะ จอมถวยเทพทรงนิรมิตเพศเป็นมนุษย์เสด็จประทับ พ, พระตาเนินนำภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงขับคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้พระผูมะ้มีพระภาคมีพระจวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงขีงทรงฝึกอินทรีย์แล้วทรงพ้นวิเศษแล้วสเสด็จประเวศสู่พระนครราชกุฎพร้อมด้วยพระปูราณจดินทั้งหลาย เือฝึกอินทรีย์แล้วผู้ค้วิเศษแล้วพระผูมะ้มีพระภาค ม, มีพระเจวีเสมอด้วยทองลิมลิ่มทองสิงขีส่งพ้นแล้วส่งพลวิเศษแล้วสเสด็จประเวสสูนรน ค, ครราชชรีพร้อมด้วยพระบุราณชดินทั้งหลายผู้พลแล้วผู้พลวิเศษแล้วพระผูมะ้มีพระภาค ม, มีพระเจวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงขีสรงข้ามแล้ว ทรงพ้วิเศษแล้วสเสด็จประเวศสู่พระนครราชชกุลพร้อมด้วยพระปุราณะจดินผู้พ้นแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระภูมิพระภาคมีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีทรงสเสวยแล้วทรงสงบแล้วนะฮะทรงพ้นวิเศษแล้วสเสด็จประเวศสู่พระนครราชคกุล พร้อมด้วยโราณในชดินทั้งหลายผู้สงบแล้วผู้คนมีเศษแล้วแต่แบอดีมีทคุณจสมบัติของพระพุทธเจ้าสามสี่ประการที่ท่านกล่าวไว้ก็ไปศึกษาค้นความมาดูว่าองค์ธรรมเหล่านั้นมีเรื่องอะไรบ้างเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษา คือแม้เราจะปฏิบัติไม่ได้สัก1้อยเอร์เซ็นนะฮะปฏิบัติได้แต่ยี่สบามสิบเปอร์เซนตก็บุญแล้วก็เรียกว่าขนาดสักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าบุญแล้วสามารถที่จะครองตนให้อยู่ดีมีสุขได้นั่นก็คือในข้อความที่ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอริวาสธรรมสิบประการเป็นเครื่องอยู่ทรงประกอบด้วยพระกำลังสิบ ทรงศราบธรรมคือกรรมบทสิบทรงประกาศด้วยธรรมอันเป็นองค์ของพระอาเสขะสิบมีภิกษุปริวาณพันหนึ่งเสเดจประเวศสู่พนนครราชคริบเพราะโอกาสต่อไปนี่จะนำประเด็นตรงนี้มาศึกษากันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับปรากฏอยู่ในที่อื่น ประการแรกก็คืออริวาจธรรมแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นหลักใจเป็นเรือนใจของพระอริยะก็แปลว่าผู้ประเสริฐความเป็นอริยะจริงๆก็นับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะหมายความว่ารอริยะก็มีสี่ระดับคือพระโสดาบันระสะกาตาคาพระนาคาแล้วก็ปา ร, ราหัน ระยะเหล่านั้นท่านประกอบด้วยอริยาวาฏสิทธิประการประการแรกก็คือเป็นภูรโองห้ก็ว่าองห้ในที่นี้หมายถึงนิวรณ์ทั้งห้าประการซึ่งถือว่าเวลาเราพูดเรื่องการบริหารจิตแล้วเนี่ยหดที่จะพูดถึงนิวรณ์ห้าประการไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องผูกพันกันจนไม่อาจจะแยกได้ เพราะว่าการเจริญสมถกรรมฐานก็คือการพยายามสงบนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปบนตราบใดที่นิวรณ์ทั้งห้าประการไม่สงบเนี่ยความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นิวรณ์ทั้งห้าประการนั้นข้อแรกก็คือการมาจันท์การที่จิตเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ใคร่ด้วยอํานาจของความใคร่ นั้นก็คือสึกนึกถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงเย็นร้อนนอนแข็งถึงอารมณ์จิตใจเขากำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหนาพอใจเมื่อเหนียวนึกสึกนึกอยู่บ่อยๆจิตใจก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นสภาพจิตนั้นท่านอุ ป, ปมาว่ามันเหมือนกับ น, น้ำที่เจือด้วยสีต่างๆ เรามองดูเงาหน้าของเราแล้วก็จะเห็นไม่ชัดเพราะว่าสีมันเยอะเหลือเกินจิตใจของบุคคลที่หมกมุ่นคุนคิดในเรื่องของการมกุลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นปรารถนาสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นไปเรื่อยๆค่อยๆปรารถนาไปเรื่อยๆก็หาความสงบได้ยากและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือต้องพยายามชใช้อารมณ์หมายความว่าพยายามตอบสนองความปรารถนาของตนอยู่รําไป ในสุดก็ส่งอุปมาว่าเหมือนคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นจะต้องเปื้องหนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าหนี้ก็าทวงอยู่เรื่อ ย, ยจิตใจที่มากด้วยความปรารถนาก็าจะเป็นเช่นนั้นไอ้หนี้ก็สวยไอ้หนี้ก็ดีอันนั้นก็ไปรอกอันนั้นก็หอม อ, นน อ, อันั้นก็อร่อยอันนั้นก็น่าจะต้องอะไรไกลๆก็พาไปเรื่อยใจยมัวฟ้าไปเลยนิวรณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแก่ใครสักข้อหนึ่ง คือไม่ต้องเกิดขึ้นมากหรอกมันก็มีปัญหาในด้านสุขภาพจิตแล้วก็ต่อไปคือพยาบาทการเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ที่เราไม่ชอบด้วยอนาจของความไม่พอใจไม่ยินดีความโกรธความอาคาตพยาบาทอาจจะไปถึงจองล่างจองผ่านกันก็ได้นะฮะแต่หากว่าคิดอะไรแรงๆออกไปนิบอลคนนี้จันอุ ป, ปมา เหมือนกับน้ำที่เดือดพล่านเราต้องการจะส่องดูเงาหน้าเราในน้ำที่เดือดพล่านมันก็เห็นไม่ชัดจิตใจของบุคคลที่กรอบด้วยนิวรนคือพยาบาทนิวอนก็เป็นเช่นนั้ น, นคนที่ถูกพยาบาทนิวรนกลุ้มรุมจึงเป็นเหมือนกับคนที่เจ็บไข้ไม่สบายถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นให้แก่เขาได้ ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยูด้วยลำพังก็ตนเองวันนี้วรนสองข้อ น, นี้ที่ว่าเรามาพูดถึงยินดียินได้ถ้ายินดีก็เป็นเหตุให้เกิดการมฉันยินได้ก็เป็นเหตุให้เกิดพยาบาทเวลาพูดถึงเรื่องการสํารวมวางอินทรีแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ใช้คําอยู่สองคำด้วยความยินดียินได้คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ไม่น่าปรารถนาจะแสดงเห็นว่าเป็น กิเลสที่มีความรุนแรงแล้วก็ครอบงาจิตใจของคนอยู่เป็นนั้นมากในแต่ละวันแต่ละวันในเราจะมีเรื่องยินดียินร้ายอยู่เยอะแล้วกันแล้วก็สะสมอยู่ภายในใจในกรณีของความยินได้นั้นบางครั้งได้ส่งกระจายออกไปเป็นอาฆาตตวัตถุคือเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาตปยาบาทมุ่งจองเวท ม, มุ่งล้างผลานถึงกันแลยกัน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 ก็ปลูกอาคตาิพยาบาทเขาทั้งๆ้ที่เขาทําดีแต่ว่าไปทําดีกับคนที่ตนไม่ชอบก็ทําทให้ตัวเองถูกไม่ชอบไปด้วยก็เรียกว่าความโกรธที่เกิดมาจากความโกรธประการที่สองอาจจะแปลว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันวาคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเราคนนี้กําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็ปลูกอาคตาพยาบาท หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะระลบในเรื่องอนาคตคือคาดหมายเอาไปสัรนิฐานเอาเองไปเข้าใจเอาเองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่น า, จน า, นนาจะเป็นอย่างโน้นทั้งๆที่เป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้จะไปผูกอาคตาิว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์คือกูลต่อศัตรูของเรา ทีนียความค่าปยาบาดเนี่ยบางทีมันเอานิยาอยอะไรไม่ได้ดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเดินสะดุดเรื่องหกล้มเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเร า, า, าก็โปวดได้นะฮะฝนตกแดดออกนี่เรากรธได้ตลอดเลยนั้นแสดงให้เห็นว่าจิตใจที่มากเลยนิวรณ์เนี่ยเป็นจิตใจที่หาความสงบได้ยากประการต่อไปก็คือถีนามิทะ เป็นควา ม, มงเ่วเหงาหางนอนซึ่งซึ้ง้งอยเงาหดหูเคริบเคริมจืด ช, อชือชายเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยตลอดถึงเซ็งในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะว่าจิตใจมันหดหูขาดความกระตือร้อนขาดความกล้าหาญที่จะว่าควันอุปสรรคอันตรายต่างๆ อนุประมาว่าเหมือนน้ําที่เจือ้วยจอกแหนน้ําที่เจือโดยจอกแหนนั้นเมื่อเราต้องการจะแวกจอกแหน่เพื่อดูเงาหน้าของเราแหวกไปได้หน่อยเดียวจอกแหนมันก็ปิดเข้ามาเหมือนเดิมคืดูเงาหน้าไม่ได้ชัดดังนั้นคนที่ถูกทีน่น้ำมิทาไมวอนคุมบุ ม, มก็จึงเป็นเหมือนกับคนที่ตกเป็นนักโทษในคดีอาญาคือติดคุกในคดีอาญา ไม่มีความเป็นอิสระส่วนตัวเดีย๋ยวคิดเพ้อฝันไปด้วยประการต่างๆนะคิดไปคิดมาตัวเองก็อยู่ตรงนั้นเองดังนั้นท่านจึงอุปมาให้เห็นว่าทีนี้นมิทานิวร์เนี่ยมันเหมือนกับคนที่ติดคุกและสภาพจิตมันก็เหมือนกับ น, น้าที่เจอระจอกแหน่งกล่าว ประการต่อไปนั่นอุทธจัจจะภูจจะคือความฟุ้งซ่านความารําคาญความซัด ส, สายของใจแล่นไปในอารมณ์ต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะแต่ว่าดีเนี่ยมไม่เขาก็ไม่ค่อยว่าอะไรหรอกดีเนี่ยแต่อารมณ์ที่ไม่ดีนะฮะฟุ้งซ่านไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้นถ้าเราคิดไปในเรื่องดีๆมันก็เป็นกุศลเป็นกุศลวิตกความจกนึกไปในทางที่ดี แต่ว่าถ้าตึกนึกไปนในทางไม่ดีมันเป็นเป็นอกุศลมิโตะพราะงั้นในแนวคุงสั้นเนี่ยคือแนวที่ปฏิปต่ออะไรไม่ก็ได้จะหลักจะเพจจะผลในเรื่องนั้นๆไม่ก็ได้สภาพจิตนั้นเหมือนกับ น, น้ําขุ่นเหมือนกับ น, น้ําขุ่นที่เรามองดูเงาหน้าเราเราแล้วก็จะไม่มีความชัดเจนหรือถ้าจะเปรียบเป็นคนก็เหมือนกับคนที่ตกเป็นทาตของบุคคลเอง สูญเสียอิสระเสรีภาพที่จะไปไหนที่จะทำอะไรที่จะอยู่ที่ไหนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถูกนายก็บังคับใช้ให้ทำงานอยู่ร่าไปประการต่อไปก็คือวิจิกิจฉาความเครือบแครงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือไม่แน่ใจในเรื่องพระพุทธเจ้าในเรื่องประธรรมในเรื่องประสงค์ในเรื่องวตัยศกขา คือศีลสมาธิปัญญาในเรื่องชีวิตอดีตเรื่องชีวิตอนาคตเรื่องทั้งอดีตอนาคตจะเรื่องของกฎปัจจัยาการคือข้องใจสงสัยไปเสียทั้งหมดไม่มีสระเสรีภาพที่จะควบคุมตัวเองได้ถ้าเรียบมันน้ำมันเหมือนกับน้ําโคลนนะน้นําโคลนคือแทนที่จะคุณเนี่ยมันเป็นคโคลนไปเลยแ้่เราลุยไปในคโคลนหรือเรามองเอาหน้าเราในคโคลนเนี่ยก็มองได้ไม่ถนัด ว่ราั้นคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของวิจิกิจช้าจึงเหมือนกับคนที่เดินทางธุระกันดาลผ่านลุ่มบอฝากน้ำภัยอันตรายต่างๆรอบด้านจะรอดพ้นจากที่กันดาลเหล่านั้นได้ก็ต้องทเสียเวลานา น, านระยบุคคลทั้งหลายนั้นเป็นผู้ละองหา้ารือหมายความมาละนิวรณได้ทั้งห้าประการอาการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่ระย บ, บุคคล เพราะว่าจริงๆแล้วนี่วรเนี่ยมันดับไปตั้งแต่ระดับฌานแล้วนะฮะไปบุคคลท่านอยู่เหนือฌานหรือท่านบรรลุตั้งแต่ปสุรบันฑ์ขึ้นไปนะฮะก็ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณต่างก็เอาชนะกิเลสเหล่านี้ได้มันไม่ถึงกระเด็ดขาดทั้งหมดหรอกแต่ว่า คนที่ละนิวรณ์ได้หมดสมบูรณ์ทั้งห้าข้อเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์เพราะนริวนยาวาสในความหมายที่สมบูรณ์จึงหมายถึงพระอรหันต์แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองลดหลั่นกันลงมาว่าเราเป็นสามัญชนธรรมดาเนี่ยมันก็ควรจะพยายามลดละนิวรณ์ให้จางคลายให้บรรเทาบาบางลงไปได้มากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในหลักการปฏิบัติ ธรรมะในทามพระพุทธศาสนานั้นประการสําคัญมันอยู่ที่ว่านีคุณธรรมเพิ่มขึ้นนะะกิเลสลดลงคุณธรรมเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยก็ไม่รู้แหละมันก็ทําไปตามกําลังความสามารถแต่ว่าเห็นกิเลสลดลงเห็นธรรมะเพิ่มขึ้นมันก็ภาคภูมิใจเป็นสุขใจแล้วที่ได้ทําเช่นนั้น่ข้อต่อไปนั้นประกอบด้วยองค์หกคือไม่ดีใจไม่เสียใจ เวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาไม่ได้ก็ไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะว่ารู้เท่าทันเร่งความจริงว่าสิ่งที่ได้ก็คือสิ่งที่จะต้องเสียสิ่งที่เสียก็คือมันก็แสดงว่าเสียไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาถึงถึงจะได้ไว้ต่อไปมันก็เสียนะฮะมันแสดงว่าจิตใจของท่านนั้นไม่อ่อนไหวไปกับอารมณที่มากระทบทางประสาทสัมผัส ไม่ดีใจไม่เสียใจนะเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่เสียใจได้ลาภได้ยศได้สรนเริญได้้วความสุขก็ไม่ดีใจวางใจเป็นกลางนะเป็นเป็นอุเบกขาคือมีอุเบกขาสามารถที่จะมองคนอุเบกขาส่วนใหญ่มันมักจะใช้กับสิ่งมีชีวิตแต่ความไม่ยินดียินได้เนี่ยมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้นะฮะ เบคขาส่วนใหญ่จะใช้กับสัตว์ที่ประสบผลกรรมของเขาแต่ว่าบางทีก็อุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายได้เหมือนกันนะฮะคือสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเช่นว่าฉลังคู่เบคขาอุเบขาในอารมณ์หอารมณ์ปกเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกรมผินลิ้นริม น, น, นวดกายถูก ต, ตอ้องเย็นร้อนนอนแข็งนี่นก็สามารถทำใจเป็นเบขาได้แล้วก็มีสติสัมมัญญ สติก็คือความระ ล, ก ล, ะลกึกได้ระลึกทันนึกได้นึกออกสมาจัญญายาคือความรู้ตัวทั่วพร้อมตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เหลืสามารถที่จะเลือกคิดเลือก ไปเลือกอยู่เลือกทำได้นะฮว่าอะไรควรอะไรไม่ควรควรไปไม่ควรไปควรอยู่ไม่ควรอยู่ควรกินไม่ควรกินควรเที่ยวไม่ควรเที่ยวควรพูดไม่ควรพูดควรคิดไม่ควรคิดอย่างเนี้ยคือสามารถแยกได้จะต้องมองเห็นสาระประโยชน์สาระประโยชน์ต่างๆในอารมณ์เหล่านั้นในที่นี้ที่เน้นจริงๆประกอบโดยองค์หกก็คือว่ามีสติ มีอุเบกขาแล้วก็ไม่แสดงความเสีย อ, อัวเสียใจในอารมณ์ทั้งหกนะฮะตัวตัวตัวทั้งหกเนี่ยตัวองค์หกเนี่ยก็คืออารมณ์หกก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือเย็นร้อนหนังแข็งคืออารมณ์ที่ใจปเป็นเดียวนึกตึกนึกขึ้นมาและมีการรักษาสิ่งเดียวคือสติคอยควบคุมใจไว้หมายความว่าสติของท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ระยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยสติท่านเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแม้ว่าระดับที่ไม่สมบูรณ์นะฮะก็ดีกว่าสามัญชนทั่วไปแล้วแต่ว่าระดับที่สมบูรณ์ก็คือระดับของพระอรหันต์ที่เรียกว่ามีสติวิปุโลคือสติที่ไพบูรย์มากสามารถจะควบคุมใจอย่างรู้เท่าทันด้วยความจรงิงคล้ายๆประสาทอัตโนมัติที่มีอะไรผ่านเข้ามาเช่นสมมติว่า มีแมลงผงอะไรจะเข้าตาเนี่ยตามันก็กระพริบได้ทันทีทันใดก็เรียกว่าเห็นชัดเจนในขณะนั้นๆมีปัญญาเข้ากำกับป้อยสอดสองมองดูสิ่งเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันว่ามันเป็นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไดควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องหรืออะไรควรสงบไป ในข้อนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างใกล้ๆกับเรื่องของคนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องคือถ้าเรามองคนจริงๆในโลกเนี่ยมันก็มีประมาณสี่ประเภทนะฮะประเภทหนึ่งก็คือคนทั่วไปคนดูทั่วไปเนี่ยเรามองกันด้วยความเป็นนิตดสดัยไหมมองด้วยความเมตตาได้ไหมปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปัสสาวะไรกันได้ไหม แต่ประการที่สองก็คือคนที่กำลังประสบความทุกข์ประสบภัยประสบอันตรายเนี่ยทำยังไงอย่าไปซ้ำเติมอย่าไปเบ็ดเบียนเขาแล้วพยายามมองเขาด้วยความกรุณามุ่งดีปรารถนาดีต่อเขาเป็นที่ตั้งเป็นประมาณในกรณีของคนที่ประสบความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้ลาบได้ยศได้สุขได้สันเรินได้สันเรินได้รับความสุขเนี่ยตามปกติแล้วจิตใจเราจะฤษยาเขาเวลาเขาได้ดีเนี่ยคนส่วนใหญ่มักแกฤศยาแต่ฤศยามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะเขาก็คงได้อยู่นั่นแหละแต่เราก็ทำสุขภาพจิตเราให้เสียไปเปล่าๆโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตราองันในกรณีเหล่านี้ท่านก็สอนในแสดงมุทิตาจิต จะาำใจยินดีสื่นชมอนุโมทนาสาธุการต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลเหล่านั้นและในกรณีที่เขาประสบผลกรรมของเขาคือกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขอย่างถาวรหรือว่ากรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์อย่างถาวรแก่เขามันเป็นเรื่องนอกวิสัย คือที่เขาได้รับสบูรยผลกรรมดีเป็นความสุขปกติสุขของเขาเนี่ยเราก็แสดงมือตีตาจิตไปแล้วจากนั้นก็เฉยๆคือไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาคล้ายๆกับคนก็เดินเป็นปกติดีอยู่เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องไปประคับประคองอะไรเขาป่อยก็เดินเข้าไปแล้วก็ในกรณีที่เขาประสบผลกรรมคือทําชั่วทําผิด ท, ทําทุจริตต่างๆ เราจะไปเสียใจหรือไปซ้ําเติมแต่คนที่เราไม่ชอบเราอาจจะซ้ําเติมแต่คนที่เราชอบเราอาจจะเสียใจแต่ปัญหาว่ามันไม่ได้อะไรหรือไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งสองฝ่ายซ้ําเติมก็เป็นการเพิ่มบาปให้แก่ตนเสียใจก็เพิ่มทุกข์ให้แก่ตนวันนี้ีดีที่สุดปัญญามารู้เท่าทันตรงนี้ทําอย่างนี้ตรงนี้ทําอย่างนี้ตรงนี้ทําอย่างนี้ ถึงก็หมายความว่าคนเราทั่วไปเนี่ยสามารถจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ระดับหนึ่งนั้นก็คือการที่มีการรักษาไว้สิ่งเดียวคือสติคอยควบคุมใจไว้ได้ตลอดอย่าให้เกิดเพ้อเลิลุงลืมทั้งพราดทั้งฟังทั้งหลายในรลวงพระพุทธญาณนวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี